แล้วก็ไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดเนี่ยนะคือคือกิเลสเนี่ยนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาจะย้อมของย้อมเนี่ยนะต้มต้มอะไรออกไปแล้วน้ำฝาดมันจะออกใช่ไหมเขาจะอุปมาว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเหมือนกับตัวฝาดนะปกติถ้าเป็นน้ำน้ำนี่มันก็ควรจะใสใช่ไหมแต่ที่มันเป็นน้ำขุ่นน้ำข้นก็เนื่องจากพวกไ อ, อ, อ, อ้น้ำฝาดอันนี้ไปเจือเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยธรรมชาติของตัวของเขาเองนะถ้าเป็นภวังคจิตก็ไม่ได้เศร้ามองอะไรใช่ไหม แต่เนื่องจากไอ้อุปกิเลสนี่แหละจรมาทําให้ชาวนะนี้เศร้าหมองเลยว่างั้นก็อกุศลจิตก็เพราะกิเลสดุดน้ําฝาดเนี่ยผู้ที่เป็นพรามณ์ต้องไม่มีกิเลสแบบนี้แล้วก็เป็นผู้สํารวมตนคือมีตนสํารวมแล้วคําว่าสํารวมตนในที่นี้หมายถึงเป็นผู้ที่มีภาวนานุโยกหรือเป็นผู้ที่มีศีลสังวรถึงที่สุดเวท นนะที่สุดเวทนี้ควรจะแค่ไหนเวท่า น, นีแปลว่าความรู้นะผู้ที่ถึงสุดยอดแห่งความรู้เนี่ยอยู่แค่ไหนในปริญญาบัตรเลยต้องระดับไหนเวทเนี่ยนะเวทเนี่ยมีสีเวทใช่ไหมโสดาปฏิมักสกะทาคามีนาคามีแล้วก็อรหัตตมักเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจบที่สุดเวทก็คือนั่นแหละได้จดตุรมักอย่างั้นนะก็คือได้มักสีเนี่ยเรียกว่าคนถึงที่สุดเวท แล้วก็มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วหมายถึงว่ามรรคทั้งสี่เนี่ยประพฤติได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงมรรคเนี่ยนะเรอยู่อริยมรรคจบแล้วพรามนั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในอารมณ์ไหนไหนไม่มีกิเลสนะอารมณ์ไหนก็ไม่ทําให้ท่านฟูขึ้นอ น, นะลองดูนะวันนี้เราฟูหรือเปล่าคาราว่ากิเลสเครื่องทําให้จิตฟูเนี่ยนะมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันก็ราคะาโทสะโมหะสมใช่ไหม แล้วก็มานะกัททิเตเป็น5พวกไอ้กิเลส5ตัวนี้แหละเรียกว่าฟูละขณะที่กิเลส5อย่างเกิดขึ้นในอารมณ์ไหนนะขณะนั้นเรียกว่าฟูหมดเลยเหนไฟู ด, ด้วยราคะโทสะและก็โมหะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะควรกล่าวถ้อยคําว่าตนเนี่ยเป็นพราม์โดยธรรมนี่นะเรียกว่าเป็นพราม์อย่างแท้จริงเห็นไหมก็หลังจากนั้นพระองค์ ออกจากควงอาชาปาระนิโครดก็เข้าไปยังต้นไม้มุดจลินมุดจลินเนี่ยก็เรียกว่าบางแห่งเรียกว่าไม้เกศนะไม้เกศนี่เป็นยังไงก็ออขอภายมุดจลินไม่ใช่ไม้เกศไม้จิกใช่ไหมถ้าราชายาตนะไอราชายาตนะเนี่ยนะไม้เกศนี่ไม้จิกเนาะทีนี้พระ อ, องค์ก็ไปประทับนั่งสวยวิมุติสุขที่ควงไม้มุดจลินอีกเจ็ดวันทีนี้ครั้งนั้นเนี่ย เมฆใหญ่ในสมัยไม่ใช่ฤดูการก็ตั้งขึ้นฝนตกพรมเจือด้วยลมหนาวเนี่ยนะตลอดเจ็ดวันกาเป็นฝนพิเศษว่างั้นเถอะก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากตรัสรู้จะมีฝนแบบนี้เหมือนกันหมดครั้งนั้นมุจลินนาคราชออกจากที่อยู่ของตนก็ได้เวดวงพระกายเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยขนดเจ็ดรอบได้แผพังพานใหญ่เนื้อพระเศียรเนี่ยสถิตอยู่ด้วยหวังใจว่าความหนาวความร้อนอย่าเบียดเบียนพระผู้มีพระภาค สัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอย่าเบียดเบียนพระผู้มีพระภาคครั้นล่วงเจ็ดวันมุจลินนาคราดก็รู้ว่าอากาศปลอดโปรง่งปราศจากเมฆฝนแล้วจึงคลายขนดจากพระกายของพระผู้มีพระภาคจำแรงรูปของตนเนี่ยนะเป็นเพศมานพได้ยืนประคองอัญชลีถวายนะมัสการพระผู้มีพระภาคทางเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นดังนี้ว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษมีธรรมะปรากฏแล้วเห็นอยู่ความไม่พยาบาทความสํารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกคือตัวนั้นไม่ควรมีนะลบทิ้งไปความพยาบาทความสํารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลก ความปราศจากความกำหนัดคือความล่วงการทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกการกำจัดอัสมิมานะเสียได้นั่นแลเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไนะโอ้ประกาศแต่ความสุขแล้เกินเนี่ยนะอันนี้สรุปเป็นคาถานีเป็นยังไงบ้างเอาองค์ธรรมมาจับนะนานะศึกษาพระธรรมมาแล้วความไม่พยาบาทถูกนครับเอ่อความไม่พยาบาทถูกแล้วไม่แต่คาว่าคือ คำว่าคือนะเอาใหม่นะย้อนอีกทิ้งความสงัดเนี่ยเป็นสุขความสงัดเนี่ยสงัดระดับไหนนะแปลเป็นบาลีว่าสงัดเป็นคือคือธรรมะนะการจะตีความธรรมะเนี่ยต้องให้คิดเป็นภาษาบาลีก่อนว่าศัพท์เดิมควรจะเป็นอะไรแล้วค่อยคิดเรื่องนั้นออกไปสงัดเนี่ยนะมาจากคาว่าวิเวกวิเวกวิเวกปกติมี3มใช่หมหนึ่งกายวิเวกสอง จิ ต, ตวิเวกสอุปทิวิเวก ค, ควรจะเป็นวิเวกไหนที่เป็นสุขอุปทิวเวกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความสงบนี่เป็นความสุขของผู้สันโดษสันโดษในที่นี้คือสันโดษด้วยมรทั้งสี่ไม่ใช่สันโดษในปัจจัยสี่นะหมายถึงสันโดษด้วยมรสี่มันมรสี่นั่นแหละจึงจะมีวิเวกนั้นนะเป็นอารมณ์เจรญทอนก็คือมรสี่นี่แหละจึงจะชื่อว่าสันโดษอย่างแท้จริง ต้องมีมรรคสี่นั่นแหละจึงจะเรียว่าสันโดษถา้าถ้าเกี่ยวกับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องมรรคสีส่วนใหญ่ในะเรื่องมรกคมันตรงนี้ก็นี่แหละถ้าได้มรรคสีแล้วจึงจะเรียกว่าคนสันโดษอย่างแท้จริงเห็นไหมแล้วก็มีธรรมะปรากฏแล้วปรากฏก็คือตรัสรู้ น, นะเห็นอยู่ก็คือเห็นวิเวกอันนั้นอันนะัก็คือผู้ที่มีอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะ คนประเภทนี้แหละมีความสุขอย่างแท้จริงเหมือนกันคืออย่าลืมว่าในช่วงนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยตรัสรู้ใหม่ๆใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องตรัสรู้อริยสัจหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจเลยนะจะพูดอะไรก็ตามต้องเกี่ยวเนื่องกับอริยสัจอย่างเดียวนะเขามีเงื่อนไขยอยู่เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่างที่พระองค์ตรัสหลายแห่งมากเลยบอกว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้นะเราจะแสดงแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นแหละ มันในในเวลาอ่านธรรมะเนี่ยนะต้องพยายามให้คิดว่าเอ๊ะคำเนี่ยอยู่ในธรรมะประเภทไหนอยู่ในสัจจะอะไรเนี่ยนะเพราะว่าเขาฟังแล้วส่วนใหญ่เขาบรรลุกันใช่ไหมที่บรรลุเขาเขาบรรลุอริยสัจนั่นแหละมันอย่างน้อยที่สุดอ่านพระไตรปิฎกหรือฟังธรรมเนี่ยก็ต้องนึกให้ออกว่าเอ๊ะเนี่ยคำเนี่ยหมายถึงมรรคอะไรประมาณนีนเน้เอาเอาให้เข้าใจมรรกก่อนนะถ้าบรรลุได้ก็ดีแต่ว่าสําคัญที่สุดให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อน นะคะถาแรกบอกความสงัดเป็นสุขก็คือวิเวกเนี่ยนะเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดดด้วยอะไรมัค4เนี่ยนะคือยินดีในมัค4ีก็เห็ น, เ, นเห็นวิเวกหรือเห็นนิพพานอันนั้นด้วยปัญญานั่นแหละความไม่พยาบาทอันนี้หมายถึงเบื้องต้นแห่งปัญญานะเรียกว่าความไม่พยาบาทความสํารวมในสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นเบื้องต้นแห่งกรุณาเพราะฉะนั้นความไม่พยาบาทสรุปก็คือสองคำอ่ะนะหมายถึงเมตตากับกรุณา เพราะถ้ามีเมตตากับกรุณาเนี่ยเป็นสุขในโลกเนี่ยสรุปนะว่าเออถ้าเป็นผู้ที่มีเมตตามีกรุณาเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงความปราศจากความกําหนัดคือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกอันนี้หมายถึงอนาคามีมั่งจึงจากล่วงกลามได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะอันถ้านาคามีเนี่อล่วงกามได้เนี่ยเป็นสุขอย่างแท้จริง การกำจัดอสมิมาณเสียได้นั่นแหลเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้มักไหนสบายนะอรหัตตมักพันสรุปแล้วคาถานี้ก็อริยสัตว์นะวิเวกก็เป็นนิโรธสัตว์สันโดษก็หมายถึงอริยมั ก, กะน ะ, ะความไม่พยาบาทความสำรวมก็เมตตาและกรุณาส่วนปราศจากความกำหนัดนั้นคื อ, อนาคามิมักการกำจัดอสมิมาณคืออรหัตตมัก คนะาถานี้ก็ประกาศอริยสัจอีกเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่าเป็นการแสดงธรรมเรียกว่าอุทานขึ้นอย่าลืมว่าผู้ที่จะรับพระธรรมเทศนาตรัสรู้ชุดแรกก็ต้องเป็นพระัญญากลธรระนะัญญาทีนี้ครั้นล่วงเจวันพระผู้มีพระภาคก็ออกจากสมาธินั้นแล้วก็เสด็จจากควงไม้มุจลินไปยังต้นไม้ราชายตนเะนี่ยนะก็ไม้ราชายตนะก็บอกเมื่อกี้ว่า ราชายตนาหมายถึงไม้เกต์นะไม้เกต์นี่ผู้การรู้จักไหมเป็นไงไม่รู้จักนะ ม, มีใครรู้จักไม้เกต์บ้างคือไม่ใช่เอเกตแบบดอกลำเจียกนะไม่ใช่นะ เ, เดดนี่ยนะแต่นี่เรียกว่า เ, เ, าเาต่อเต่าไม่รู้จังนะออกมานี่วิชาพฤกษชาติเนี่ยตกตั้งไงยังไม่ทันเรียนเลย ทีนี้ต่อไปนะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีพ่อค้าชื่อว่าตปุตสะกับพลิกะเออทั้งคู่นี้ตอนหลังก็ออกบวชแล้วก็เป็นพท่ารหันนะเขาก็เดินทางไกลาจากอุกกระชนระบทถึงตําบล น, นั้นครั้งนั้นเทพพญายดาผู้เป็นญาติสาโลหิตของตปุสะกับภลิกะสองพ่อค้าเนี่ยก็กล่าวคํานี้กับสองพ่อค้านั้นว่าดูก่อนท่านพูดเนรทุกพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้แรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงไม้ราชายตนะ ท่านทั้งสองจงไปบูชาพระผู้มีพระภาคนั้นด้วยสัตตุพงและสัตตุก้อนอ น, นะสัตตุพง์อันนี้หมายถึงที่ปรุงด้วยเนยไสย่ด้วยน้ําพึ่งน้ําตาลกรวดเป็นต้นเนี่ยนะการบูชาของท่านทั้งสองนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดการลนานเทวดานี่ดีนะมาบอกให้ไปทําบุญทีเหมือนกันครั้งนั้นพ่อค้าชื่อว่าตปุษกัาภลิกะ ถือสัตตุพงและสัตตุก้อนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งสองพ่อค้านั้นยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลคานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับสัตตุพงและสัตตุก้อนของข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ ทรงปริวิตรกว่าตถาคตทั้งหลายไม่รับวัตถุด้วยมือเราจะเพื่อรับสัตตุพง์และสัตตุก้อนด้วยอะไรหนอลำดับนั้นเทา้ามหาราชทั้ง4ี่องค์ทรงทราบ พ, พระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนแล้วก็เสด็จมาจากทิศทั้งสี่คิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าคิดอะไรเนี่ยคนอื่นเขาดูอยู่ตลอดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูอยู่นะขนาดพระพุทธเจ้าคิดอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีใครรู้นะี เท้าเทวราชทั้งสีก็นำบาตรที่สําเร็จด้วยศีลาสีใบเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาค น, นะพระผู้มีพระภาคก็ที่ฐานบาตรทั้ง4ีใบนั่นแหละให้เป็นบาตรใบเดียวเนี่ยนะก็เกรียกว่าเพื่ออนุเคราะห์เท้ามาหาราชทั้ง4ีแล้วก็กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับสัตตุพงษ์และสัตตุ ก, ก้อนด้วยบาตรนี้พระพุทธเจ้าค้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้บาทสำเร็จด้วยศิลาอันใหม่เอี่ยมรับสัตตุผงและสัตตุก้อนแล้วก็เสวยเอ่อตอนที่อยู่ที่มุจรินเนี่ยนะเป็นสัปดาห์ที่หใช่ไหมอยู่ที่ไม้เกตนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดเนี่ยนะเจ็ดคูณเจ็ดนี่เท่าไหร่สี่สิบเกวันพอดีนะเพิ่งมาฉันตอนเนี้นะสี่สิบเก้าวันก่อนหน้านั้นไม่ได้ฉันอะไรเลยนะหลังจากที่ฉันอาหารของ นางสุชาดาเนี่ยนะสีิบเก้าก้อนใช่ไหมสี่สิบเก้าก้อนแล้วก็มาฉันครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะแต่ก่อนจะฉันก่อนหน้านั้นเนี่ยท้าวส ก, ก่าก็เอายามาถวายเนี่ยนะก็คือนั้นฉันยาก่อนเนี่ยนะฉันยาเสร็จแล้วก็ตอนหลังก็ฉันอาหารเนี่ยครั้งนั้นพ่อค้าตปุสสาวะและพระลิกะก็ได้ทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคและพระธรรมว่าเป็นสารณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้ า, าทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงๆนี่คําไทยนะแปลศัพท์บาลีเนี่ยไม่ได้แปลตามตัวตรงๆแต่เป็นบางคำเนี่ยแปลยกย่องขึ้นถ้านะบาลีนะก็จะมีข้าพระเจ้าเป็นแ ป, แปลเป็ น, นไทยๆนะจะออกมาเป็นข้าพระเจ้าเป็นอะไรนี่แหละแต่ตรงนี้ใช้คําว่าข้าพระพุทธเจ้านะคิดดูนะคล้ายๆกับคำว่าข้าราชการ เอาสั์มาคิดนะข้ากับคําว่าราชการนะข้าตรงนี้ก็เหมือนกันข้าพระพุทธเจ้านะก็คือข่าในที่นี้ก็คือเป็นเป็นคนรับใช้อะนะเป็นอุปถั์ของพระพุทธเจ้าประกาศถึงว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้ามากว่างั้นเถอะว่าขอเป็นข่าว่างั้นเถอะขอเป็นหมายว่าข่าทานกรรมกรของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะแสดงว่าผู้แปลเนี่ยนับถือมากนะนะอันนี้อย่าลืมว่าคําแปลเหล่านี้นะ ถ้าจำไม่ผิดก็ควรจะเกิดแปลก่อนพศ2500คำแปลเหล่านี้นก็นายพาณิชย์สองคนนั้นได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างสองรัตนะเนี่ยนะเป็นชุดแรกในโลกนะก็มีเฉพาะสารณะสองไหยังไม่มีสามทีนี้พอล่วงไปวันที่เจ็ดเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วก็เสด็จไปควงไม้ราชายตนะ แล้วก็กลับไปยังต้นไม้อชปาปาระนิโครธเนี่ยนะที่ประทับอยู่เมื่อสัปดาห์ที่เท่าไหร่ที่ห้าใช่ไหมสัปดาห์ที่ห้าก็ประทับที่อชปาปาระนิโครดเนี่ยนะ<ม>เขาบอกว่าต้นอชปาปาระนิโครดนี่อยู่ทางทิศตะวันออกของต้นภรีมหาโพนี่นะ<ม>อยู่ทิศตะวันออกของภรีมหาโพธิ์องค์ก็เสด็จย้อนกลับไปอีก<ม>ขอมานี่นึกอะไรไม่ค่อยออกเพราะว่าแถวแถวนั้นนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปแอลไหนกับเขาเลย ก็จูแต่รอบๆเจดีนั่นแหละนน้าอะไรที่มันเกินเกินเจดีแล้วก็ไม่ได้ไปละนิย้อนไปอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อพระองค์ไปประทับที่ต้นอาชาปาลนิโครธก็ทราบว่าพระองค์นี้ประทับอยู่ที่ควงไม้อาชาปาลนิโครธนั้นแล้วก็พระองค์นี้ก็เสด็จไปในที่สงัดหลีเกรนอยู่ก็ปริวิตกแห่งจิตก็เกิดขึ้นอ่ะนะะความคิดอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันหมด แล้วก็คิดในเวลาจํานวนเท่านี้เหมือนกันนะในปริมาณวันเท่านี้อะไรเท่านี้ต้องมาคิดอย่างนี้เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นธรรมนิยามเ่างอนกันเถอะเป็นธรรมดานะไอ้คำว่านิยามหรือธรรมดาอันนี้เหมือนก็แก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดานะอันพระพุทธเจ้าที่จะต้องมาตรึกมาคิดแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาันนด้วยเหตุผลจะกล่าวต่อไป คือพระองค์ได้คิดว่าธรรมะที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นคนที่ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมะสงบประณีตไม่อย่างลงสู่ความตรึกละเอียดเป็นวิสัยที่บัณฑิตจะพึงรู้แจ้งอันนี้หมายถึงอะไรอ่า น, นะธรรมะที่สงบลึกซึ้งดีขนาดนี้เนี่ยนะควรจะเป็นอะไรดีก็ระดับนิโรธสัตว์เนี่ยนะเอานิโรธสัตว์เป็นเกณฑ์ไว้กันเถอะ ว่าโอ้โหการที่คือการจะบรรลุอริยสัจอย่างแท้จริงนะต้องเมื่อมีนิโรธเป็นอารมณ์แล้วจึงจะเรียกว่าบรรลุอริยสัจอย่างเราทั้งหลายเนี่ยก็อยู่กับความแก่แล้วก็อยู่กับตันหานี่ชื่อว่าบรรลุอริยสัจหรือยังยังยังเนาะเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้เข้าถึงสัจจะที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริงอ่ะนะคือนิโรธสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เอานิโรธสัตว์นี่แหละเป็นเป็นประธานเป็นที่ตั้งเหว่างั้น คือธรรมะที่พงบรนลนนะออรุเนี่ยนะคือโดยเฉพาะอริยสัตว์เนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดส่วนหมูสัตว์นี่เริงรมนะบางแห่งก็แปลว่ารื่นรมด้วยอาไลอาไลนี้เป็นชื่อของรูปสวยๆเสียงพพยยยนะเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆเนี่ยนะโพธิภพที่ดีๆเพราะนั้นกรารมมาคุณทั้ง5เรียกว่าอาไลเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะรื่นรมก็อยู่แถวนี้นี่แหละอยู่แถวรูปสวยๆเสียงเ พ, า, พาะๆนี่แหละ ยินดีแล้วในอะไรคือกามคุณห้าชื่นชมในอะไรคือกามคุณห้าก็อะไรอวบมันก็อะไรอวรนีอยู่แถวๆนี้นะรวบเสียงเลี่นยนรดโพธาภะทำมาเอ่อโพธาภะนี่แหละเป็นคนที่อะไรทั้งหลายนะั้นมีอะไรเกินนี้บ้างไหมก็ไม่ค่อยพ้นอนะ่ะก็อะไรอยู่แถวนี้นะ่ะก็เลยเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอาาานนะไรเหมือนกันเลยมูสัตว์เนี่รื่นรมยินดีชื่นชมอยู่ในกามคุณห้าเหล่านี้แหละ ฐานะคือความที่อวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารเป็นต้นนี้เป็นสภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นหมายถึงว่าปฏิจจสมุปบาทกับอิทัพปัจจยตานะคำว่าฐานะคือความที่อวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารเป็นต้นนี้มาจากบาลีว่าอิทัพปัจจยตาส่วนว่าสภาพอันปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยมาจากบาลีว่าปฏิจจสมุปบาทที่ขีดแล้วก็เน้นตัวดำเนี่ยหมายถึงว่าอิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะ อันหมู่สัตว์ผู้รื่นรมเริงรมด้วยอะไรยินดีในอะไรชื่นชมในอะไรนี่เห็นได้ยากอ น, น, นะอังี้นะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะเมื่อไหร่ที่รู้สึกฟังแล้วไม่ยากมีไหมพวกกันมีมไหมว้ายปฏิจจสมุปบาทฟังแล้วไม่ค่อยยาก น, น, นะเคยนึกแบบนี้ไหมอ๋อฟังในยากเข้าใจยากเล่นแปลอ่านะ ฟังไม่ยากแต่คิดตามยาก<笑><笑>นะหมายว่าเพราะเพราะตั้งใจฟังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่จะเข้าถึงสภาพหมายว่าพูดเหมือนกับว่าเห็นเลยเงี่ยนะหมายมันยากเหลือเกินนะเพราะอะไรที่ที่เราเข้าใจยากนะให้รู้เธอว่าพ่อมัวแต่รื่นเริงหรือว่ารื่นรมยินดีแล้วก็ชื่นชมอยู่ในอะไรแบบนั้นเถอะเพราะฉะนั้นยังไงเสียปฏิจจเนี่ยยากอยู่แล้วนะเพราะว่า คือพะมีอย่างอื่น ท, ที่สนุกกว่ามั น, นคือกำลังชื่นชมรื่นรมอยู่กับสิ่งอื่นอยู่เพราะนั้นปฏิจจสมุปบาททุกข์ษัตริย์กับสมุทัยสัตว์จึงเห็นยากอนอันนี้เท่ากับว่าสัจจะสองนะสามบรรทัดที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคือฐานะคือความที่อวิชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารเป็นต้นนี้เป็นสภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันนี้หมายถึงทุกข์กมทัยสัตว์ แม้ฐานะคือธรรมะเป็นที่สงบประงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่สิ้นกำหนัดเป็นที่ดับสนิทหากิเลสเครื่องร้อยรัดไม่ได้ก็แสนที่จะเห็นได้ยากอันนี้คือนิโรธสัตว์นี่เห็นยากเหมงั้นเถิดสรุปว่าโอ้โหมูสัตว์เนี่ยนะรื่นเริงยินดีอะไรหรือว่าชื่นชมในการมาคุณทั้งห้าอริยสัตว์สีเนี่ยเห็นยาก แซมจะเห็นยากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแสดงอริยสัจเนี่ยนะแสดงธรรมก็คือประกาศรอริยสัจสัตว์เราอื่นก็จะไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมะของเราข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราแล้วก็จะเป็นความลำบากเปล่าแก่เราเียวนะวันนี้โถ้าสอนอริยสัจนะเขาัวแต่สนุกกับอย่างอื่นนะพูดแล้วเขาไม่รู้เรื่องด้วยอะ่ะเหนื่อยฟรีสินเนี่ยนะ ก็บอกว่าอันนี้เป็นพุทธปริวิตตกแบบนี้นะถือว่าเป็นของธรรมดาใช่ไหมที่กล่าวไปคําว่าธรรมดานี้หมายถึงว่าพระองค์เนี่ยปรารบถึงอริยสัจเนี่ยเป็นคุณที่ลึกละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะแล้วก็หมู่สัตว์เนี่ยยินดีอย่างอื่นอยู่การที่จะบรรลุอริยสัจเนี่ยเป็นของยากอันนี้อย่างหนึ่งละ่ะอย่างที่สองธรรมดาจริงๆแล้วสัตว์เนี่ยเคารพพรหมเนไเคารพพรหมเพราะนนัน้ถ้าหากว่าพระองค์ตรึกแบบนี้คิดแบบนี้นะพรหมจะอาราธนา เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็จะเงี่ยโสดว่าโอ้นี่ธรรมะเป็นของลึกซึ้งนะต้องอาศัยพรหมมาอาราธนาก็จะเงี่ยโสดลงฟังด้วยดีว่างั้นนะก็ว่าธรรมะนี้ไม่ธรรมดานะพรหมต้องมาอาราธนาว่างั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ตึกแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็เกิดอนัตชริยะคาถาแปลว่าเป็นคาถาที่น่าอัศจรรย์หนักหนาว่างั้นเถอะอนัตริยะคาถาตรงนี้ท่านบอกว่าแปลว่าน่าอัศจรรย์หนักหนา แปล ว, ว่าอัศจรรย์มากเหมือนั้น่คือแปลว่าบัดนี้เราไม่ควรจะประกาศธรรมะที่เราได้บรรลุแล้วโดยยากนะเพราะธรรมะนี้อันสัตผู้อันราคะและโทสะครอบงามแล้วไม่ตรัสรู้ได้ง่ายสัตผู้อันราคะยอมแล้วถูกกองอวิชชาหุ้มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นละเอียดยิ่งอัน จะยังสัตว์ให้ถึงธรรมะที่ทวนกระแสเนี่ยคือนิพพานเนี่ยนะคือปกติธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะราคะก็ครอบงำโทสะก็ครอบงำราคะก็ย้อมอวิชช า, าก็ห่อเอาไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วนิพพานก็เป็นของที่ละเอียดสงบลึกซึ้ง น, นะจะแสดงเนี่ยถ้าเขาไม่บรรลุเนี่ยยากแน่เหนนเน <laughs> เหนื่อยแน่รู ตรงที่บอกว่าสัตว์ผู้อันราคะย้อมแล้วเนี่ยนะท่านบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะราคะรัตตาเนี่ยนะบาลีกขว่าราคะรัตตาผู้อันเครื่องย้อมคือกามเนี่ยนะคือ ต, ตัวตัวราคะเนี่ยนะไปย้อมไว้ในกามบั่งในภพ บ, บ้างย้อมไว้กับทิฐิเนี่ยบ้างเพราะฉะนั้นอ่ะถูกย้อมไว้ตั้งเยอะแยะไปหมดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นอยู่ดังนี้พระไทยก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อจะ แสดงธรรมตอนหนังพรมก็จะมารานานะ